นี่แหะคือพระมหากรุณาที่คุณคิดให้ออกว่าพราะองค์นั้นมีพระมหากรุณาที่คุณขนาดไหนท่านบอกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของท่านยังไม่เข้มแข็งยังไม่อาจหารยังไม่สามารถปรับปรปรพวาทคือแก้ปัญหาข้อข้องใจหรือลัทธิผิดๆได้ตถาคตยังไม่ปรินิพานตราบนั้นลองคิดดูที่มานก็จ้อง ภาษารีบุตรก็บรรลุโมฆลานะก็บรรลุเรื่อยใช่ไหมอสาวกแน่นไปหมดก็ไปขอรเรื่อยอีกแน่นแล้วเนี่ยแน่นแล้วต้องคิดดูทีก็ไปขอไม่รู้กี่ครั้งห็นม่ไหมเพะนี่ไงสาวกบรรลุเสร็จแล้วทําไมไม่ให้สทัทีทําไมอยากจะได้พระราษม아บัตรมั่งจริงๆอะปรารถนาเป็นนุตเจ้าเนี่ยคืออยากอยู่ในพระราษม์มาบัตรหรือเปล่าเนี่ยต้องคิดดูใช่ไหมอ้อจะว่ายังไง นี่ไงคืออัดถาตรงนี้เราอ่านให้ออกเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่จะต้องอดทนนะถ้า ย, ยอมฟังมานถากถางไปสิเพื่อพวกเราเนี่ยจะได้มีพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมาขันมาเรียนจะได้ตัดสู้ตามท่านถ้างั้นไม่มีพระธรรมมาเลยเนี่ยในที่สุดจริงๆนะพออายุครบแปดสิบมามันก็ไปขอ ในสุดพระองค์ก็สละเลยมสละบอกว่านี่ไงพระพุทธเจ้าเธออยากได้ใช่ไหมยื่นตูมนี่นี้แหละพระเจ้าศัจจาบา ร, รมีไงใช่แล้วพอครบสามเดือนพระองค์ก็ปรินิพานจริงๆด้วยให้มารได้รู้ว่าพระองค์บำเพ็ญบามีมานั้นไม่ได้ปรารถนาอราธผลเพื่อมีนิพานเป็นอารมณ์ ไม่ได้ปราถนาจริงๆคือตัวสพัพพยุตยานก็ไม่ใช่พระองค์ปรารถนาเกียรติยศชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงความเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์ไม่ต้องพูดถึงความเป็นาศาสดาไม่ต้องพูดถึงฐานะอันนี้เพ ร, ะพระาะศาสดาเป็นอยู่แล้วแต่พระองค์ปราถนาอนุปาธาปรินิพานนี่แหละคือพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจสักนิดหนึ่งว่านี้ไงพระบรมศาสดาทรงปราถนาอนุปาธาปรินิพาน แต่การปรารถนาของพระองค์นั้นพระองค์เป็นมหาบุรุษเป็นบุรุษที่องค์อาจบุรุษที่มีพระมหากรุณาที่คุณมีพระปัญญาคุณเนั้นพระองค์จึงคิดมีมหากรุณาและมีมหาปัญญาติ้ง ต, ต้นเหล่านี้คอยตักเตือนอยู่ตลอดเวลาเป็นอัตยาสายจะคอยวิ่งโลดแล่นตามทานบารมีศินบารมีเนคขมารปัญญาเวรีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและเวขาเพื่อจะยังสัตว์นั้น ให้ออกจากสังสารวัตด้วยเมื่อตนเองพ้นจากวัฏทุกข์นี่แหละเป็นข้อยืนยันว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ติดใจในการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ติดใจในฐานะที่จะอยู่ในฐานะในการที่ให้คนเคารพนับยกย่องนับถือแต่คนที่ได้เคารพยกย่องนับถือแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธข้าพระเจ้าขอนอบว่ายพระธาตุของพระบรมศาสดาผู้คงที่ ที่เสด็จดับขันธปรินิพพานณสารวโนทยานป่าสาระขอนอบไหวพระพุทธรูปศีหาใส่ญาติพระองค์นั้นด้วยซึ่งเป็นตัวแทนแห่งการทิ้งขันธาละให้กับพยามารข้าพเจ้าขอากราบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างนอบน้อมด้วยอภิวรรณนาว่าสถานว่านี้คือนิมิตหมายบ่งบอกว่าพระบรมศาสดาได้ทิ้งขันธาละ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้กับพญามารที่ร้องขอตามสัจจะที่ให้พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระบรมศา ส, าสดาตรัสว่าดูก่อนอานนท์ทำและวินยัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วธทมและวินยัยนั้นจะเป็นศาสดาของทูตถาคตทิ้งขันธภาระปรินิพานเป็นหนึ่งแต่พระธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาในการประกาศพระธรรมแทนเราเถาคต ซึ่งนักขณะนี้พระธรรมของพระพุทธเจ้าก็กำลังเป็นไปอยู่ในกระแสใจของสัมมาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นจะไม่เห็นพระบรมศาสดาแสดงธรรมเนีจะไม่เห็นหรอกว่าตอนนี้พระบรมศาสดากําลังแสดงธรรมอยู่เนี่ยมิจฉาทิฏฐิท่านไม่เห็นแต่คนที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายจะเห็นพระศาสดากําลังทํากิจของท่านอยู่และท่านไม่เคยละเลยกิจเหล่านั้นเลยทั้งหประการท่านหลายก็ไปใคร่ควรไปพิจารณาที่ได้เห็นว่านั่นคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้ นี่คือนัโมตสาพระกวาตโอราตโตสัมมาสัมพุทธสาคือการนอบน้อมในการบูชาคุณของพระผู้มีพระเจ้าก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะศึกษาเส้นทางการเดินทางในการสร้างบารมีของพระผู้มีพระเจ้าเราจะได้รู้ความเป็นไปเป็นมาว่าพระบรมศาสดาเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้ตดรัสรู้นุตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยท่านทําอะไรมาท่านบำเพ็ญบารมีอะไรมาเป็นต้นเหล่านี้ในบารมีทำต่างๆเหล่านี้ถ้าถามบอกว่าในจิตต่า ง, า ง, างใช่ไหม ที่เกิดขึ้นจากการบูชาและจากการนอบน้อมคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยถ้ารรมาพิจรารณาดูอถามบอกว่าไม่ว่าจะกล่าวหรือยังจิตให้เป็นไปกับคุณของพระบรมศาสดาที่กําลังเป็นไปเนี่ยไม่ว่าจะมีนะโมตัสสะพระว่าตัวต่อตัวสัมมาสัมพุทธสัจหรือว่าอิติพิโสพระว่าทางสัมมาสัมพุทโธที่สาธยายตอนเช้านีในเจตนาที่เป็นไปนั้นน่ยความเป็นผู้มีศรัทธาที่เกิดขึ้น ความเป็นผู้มีเจตนาความเป็นผู้มีปัญญาในการที่น้อมและลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นที่กำลังเป็นไปอยู่เนี่ยในขณะที่เป็นไปในลักษณะที่ว่ากุศลจิตที่เป็นไปอย่างนั้น้าถามบอกว่านามธรรมที่มีการนอบน้อมคุณของพระบรมศาสดานั้นในนามธรรมเหล่านั้นน่ะถ้าถามบอกว่าเสียง ถ้ามีการเปล่งเสียงออกมาวันนะโมตสะภควาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธะก็ดีอิติปิโสบคาวาหลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาสัมปโนสุกโตโลกวิทูนุตโรปุรีธรรมะสารติสัตถาเดวนุสนานังบุโตภควาติเวลาอาตมาไปไปที่อินเดียไปครั้งที่แล้วอาตมาไปได้ยินพระจากศรีลังกาก็ดี จากอินเดียก็ดีเนี่ยท่านสรารเสริญเวลาท่านสวดทิไรเนี่ยรู้สึกภาษาที่ท่านสวดมันมันถึงนะยกตัวอย่างเช่น น, <S <S นาะโมตาสาัสสะบะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทาาตาสะนะโมตัสสะ บาคาวะโตอาระหะโตสมมาสมบุติสัานโมตัสสับาคาวะโตอาระหะโตสมมาสมบุติสัมก็ฟังแล้วมันมันยังไงอุณิยิ่งสวดบท อิติปิโสบควาอรหังสัมมาสัมบุตโวิจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสดัมมาสารติ ท่าเดวมนุษย์สานังบุตโธภควาตีไม่ฟังจริงจริงๆที่เราฟังเนี่ยเราไม่ได้ไปติดในเสียงเนี่ยแต่พยายามอยากจะไปรู้ว่าจิตที่เปล่งออกมาเนี่ยที่เป็นจิตตศัทธาเนี่ยเป็นจิตที่เกิดจากกุศลเนี่ยนะ กุศลลจิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยในการเปล่งในการกล่าวในการนอบน้อมคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นในการเปล่งในการกล่าวมีนะโมตัสสะพระวะโตอรหัโต ส, สัมมาสัมพุทธัสสะเป็นต้นอันนั้นเป็นถ้าหากเป็นไปกับกุศลเขาเรียกมหากุศลญาณสัมยุญมหากุศลญาณสัมยุญที่เป็นปัจจัยเก่กการที่จะขับเคลื่อนในการนอบน้อมในการกล่าวในการเปล่งออกมา ถ้ายิ่งมีปัญญาเป็นประธานด้วยใช่ไหมมีศรัทธาเป็นประธานด้วยมีเจตนาเป็นประธานด้วยชัดเจนเลยตอนนั้นเป็นมหากุศัญาณะสัมยุญจิตวบาททีนี้มหากุศลที่เป็นไปนั้นอ่ะเวลามหากุศลญเกิดขึ้นถามว่ามหากุศลเกิดขึ้นแล้วจะเป็นปจัจจัยกีถ้าเราดูตามในยะของปรถถะธานฐานะห้วมันจะชัดเลยใช่ไหมถ้าดูว่ามหากุศลเนี่ยแท้ที่จริงอ่ะมหากุศลมีแปด ในแปดวงนั้นเป็นหมาขุนศรยาณะสัมบยุทธ์ทเป็นหมาขุนศรยาณวิปยุทธ์สในหมาขุนศรยาณสัมบยุทธ์ถ้เป็นไปัยเจตนาศรัทธาแล้วก็ปัญญาถ้าหากุนศรยาณวิปยุทธ์ก็เป็นไปัยกเจตนาศรัทธาแล้วก็สตินะแต่ในที่สุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมาขุนศรยาณวิปยุทธ์หรือสัมบยุทธแต่ในขณะนั้นก็มีการนอบนอบ้อมมีการระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดา ในการนอบน้อมในการระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาที่เป็นไปในลักษณะนั้นคือหนึ่งที่บอกว่าถ้าเจตนาเนี่ยเป็นเหตุแห่งการนอบน้อมการนอบน้อมนี่นะในลักษณะการนอบน้อมบุคคลนอบน้อมคุณเป็นต้นเนี่ยหรือมหากุสชจิตบาตที่มีศรัทธามีเจตนาหรือมีมีปัญญาที่เป็นประธานที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก่อนกิริยาที่นอบน้อม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 ถ้าเราดูว่ามหากุศลดังกล่าวเนี่ยเป็นประทา ฐ, ฐานแก่ปลาโมดใช่ไหมเพราะมีเจตนามีศรัทธามีปัญญาเนี่ยเวะลาเกิดขึ้นนอบน้อมแล้วแล้วเาเราการนอบน้อมการระ ล, ลึกแล้วแล้เราๆแล้วแล้วๆๆเราเเนี่ยปราโมดก็เกิดเอ๊ปลาโมดก็เป็นปัจจัยแก่ปีติเป็นปเป็นประทาฐานแกปิติปิติเป็นประทาฐานแก่ปัสสติปัสสติก็เป็นประทฐานแกสุข สกก็เป็นประทัดฐานแก่สมาธิสมาธิก็เป็นประทัดฐานแกยะถาภูติยานัทสนะคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงยะถาภูติยานัทสนะก็เป็นประทัดฐานแกนิพิทาคือความเบื่อหน่ายนิพิธาคือความเบื่อหน่ายก็เป็นประทัดฐานแก่มัรขยานมัรขยานก็เป็นประทัดฐานแก่ผลญาณผลญาณก็เป็นประทัดฐานแก่ปัจเจเวขนาญาณปัจเจเวขนาญาณก็เป็นประทัดฐานแก่อนุปาธาปรินิพานอันนี้เป็นมีสูตรรองรับนี่ในพระวินัย์ใิดดก็มีในพระวินทร์ิดกที่บอก บอกว่าวิ่นในเพื่อประโยชน์แก่การสํารวมการสํารวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเพื่อประโยชน์แก่ปลาโมดปลาโมดเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติเพื่อประโยชน์แก่ปัสสติปัสสติเพื่อประโยชน์ความสุขสุขเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ยะถาภูริยานัศนะสมาธิสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ยะถาภูดิยานัศนะยะถาภูริยานทสะเป็นเพื่อประโยชน์แก่นิพิทาเวลาเข้าอิมุติเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ปัจเจกนาญแล้วก็นุปาทาบริณีพานคือการดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือ ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าในการพิจารณาเห็นตามคุณของพระบรมศาสดานั้นแต่ว่าท่านในคําสอนในชั้นของหลังๆไม่ใช่หลังๆแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็กล่าวใช่ไหมแล้วในชั้นของอัตถกถาหรือดีกาทั้งหลายท่านก็มาประมวลท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วคือการตั้งคันของสภาวธรรมทั้งหลายบางทีก็เป็นการตั้งคันของอินทรีห้าพระห้าโพชฌงมรักเลือด พ่อชงเลืออะมาร์กแปดเป็นต้นในทั้นของโลกิยาเช่นว่าปลาโมดจะเป็นการตั้งคันนะพราะคันของปลาโมดแก่แล้วก็คลอดคลอจากปลาโมดก็ไปตั้งคันอีกทีคือปีติก็มีการตั้งคันแบบปีติขึ้นมาอีกพอสภาวะของปีตินั้นเริ่มตั้งคันก็บริหารปีติให้ดียังไม่แต่กลางคันเนี่ยนะก็ทําปีติให้คลอดออกมาได้ก็ะจะได้บรรลุ ป, ปสัสส thi แล้วก็ทาปีติให้ปัสสถเกิดขึ้นยังไงก็บริหารคันคือปัสสถีนั่นเนี่ให้บริบูรณ์ดูแลให้ดีเป็นต้นในส่วนจริงๆก็คลอดจากปัสสถีก็ไปตั้งคันของความสุขแล้วก็ไปตั้งคันก็บริหารความสุขที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยโดยมากคันแตกเ้าเรียกแท้งคนมีคนเคยมีบุตรนี่รู้เลยมังไบางคนแท้งไม่รู้ตัวเลยเป็นไห อันนี้พูดไม่เป็นพูดในตำราพูดว่าเออบางทีมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็หายไปทั้งนั้นแล้วหลายๆคนยังไม่เคยเกิดปีติใช่ไหมเนค้ามันก็ไม่ถึงที่สุดที่ตีไม่ทันข้อจะปีติปฏิสติก็ไม่เคยได้เลยปฏิสติตั้งทำท่าทําท่าได้เหมือนกันแต่เนค้าเกนคกก้็ไม่ถึงความสุขวางที่สุขได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงสมาธิบางคนได้สมาธิเหมือนกันแต่ไม่เป็นปัจจัยแก่ปัญญา คือไม่สามารถถอยออกมาแล้วก็มาใคร่ครวรโดยการเป็นยะถาปุริยานัศนะเริ่มตั้งแต่นามารูปเป็นต้นเป็นได้เลยก็มาแตกกันอยู่แถวนี้ทีนี้ถ้าหากมาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นใช่ไหมถ้าหากไปใคร่ครวรตามหลักอย่างลงสู่ขันธาเดยะตนะอธิษฐามว่ามหากุสุที่ปารลพุทธคุณทั้งหลายเหล่านี้เป็นมหากุศลจิตุบุบาทไม่ว่าจะเป็นมหากุสุญาณสัมปยุทธหรือวิปยุทธ ในมหากุสั ญ, ญาณและสัมยติจิตุบาตรเหล่านั้นเวทนาเจสิก็เป็นเวทนาขันใช่ไหมอันนี้หมายถึงว่าเออถามว่าเราจะใคร่ควรยังไงโดยความไม่ใช่ทินสัตต์บุคคลนะเป็นผู้ใคร่ควรแต่เห็นว่ากลุ่มนามธรรมากลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองที่เป็นพิจารณาสภาวะพุทธคุณถามว่าพุทธคุณเนี่ยเป็นปรมัดหรือบัญญตัติเป็นปรมรัตดพุทธคุณเนี่ยเป็นปรมัดนะเป็นสภาวะอย่างนงี้ ก็คือสภาวะพุทธายิงยิงอยู่ไหมก็คือสภาวะปรามัดนั่นหละคือสภาวะที่แทงตลอดอริยสัจเนี่ยอันนั้นเป็นสภาวะปรามัดอย่างนึ่งแต่ว่าคุณที่ท่านทําทั้งหลายก็คือเกี่ยวกันในเรื่องของขันธ์ธาตุยัตนะเท่านั้นแหละเป็นพุทธคุณทั้งหลายก็คือสภาวะแม้แต่กลุ่มที่ไปเจริญพุทธานุสติทั้งหลายที่เราอยากบุคคลไปเจริญแท้จริงบุคคลเจริญไม่ได้หรอก แต่แท้จริงก็คือกลุ่มสัตทินรีนั่นแหละไปเจริญเวริยินทรียสติิตนรีสมาตินทรีและปัญญินทรีย์ในที่นี้ท่านกล่าวว่าศรัทธาเป็นประธานเจตนาและปัญญานั่นแหละที่ไปใคร่ควรคุณของพระบรมศ า, ศาสดาเห็นไหมแท้ที่จริงก็กลุ่มเหล่านี้กลุ่มเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันและก็วิญญาณนักขั น, นั่นเองที่ไปตามันเลือกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าจ นี่เขาเรียกว่าเห็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารและขันวิญญาณขันธ์แล้วก็ตั้งอยู่บนกลุ่มของรูปธรรมเหล่านั้นมันก็เห็นความเป็นไปของขันธ์ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ายะถาภูตยานทัศนะเกิดเห็นไหมหลังจากที่ได้ปราโมทย์ปีติปสัสสธิความสุขและสมาธิเบสเสร็จเนี่ยท่านเหล่านั้นมาให้ควรแล้วให้ควรเพื่ออะไร เพื่อให้เข้าใจว่าแท้ที่จริงสภาวะของปลาโมดปีติปัปสสติและความสุขที่เกิดขึ้นในกระแสจิตเราท่านทั้งหลายก็คือกระแสของขันกําลังดําเนินไปนั่นเองซึ่งสัตว์ทินรีย์ได้อาหารปัญญรีย์ได้อาหารเจสังขารได้อาหารเวทนาสัญญาสังขารนิยานเหล่านี้คุณธรรมต่างๆอินรีห้าเหล่านี้หรือพละห้าเหล่านี้พอได้อาหารได้เหตุได้ปัจจัยต่างๆเขาก็มีกําลังเกดิดขึ้น แล้วก็ยิ่งปารบคุณของพระเจ้าด้วยแล้วก็ยิ่งเกิดความแนบแน่นเกิดความลึกซึ้งเกิดความศรัทธาตั้งมั่นมากขึ้นเมื่อเกิดความลึกซึ้งเกิดความแนบแน่นเกิดความศรัทธาในคุณของพระบรมศาสดามากขึ้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้นี่สัตตินรีย์ได้ปัจจัยแล้วตอนนี้ท่านทั้งหลายกําลังให้อาหารของสัตตินรีถูกแล้วสมาวิริยินซีสมาตินซีปัญญินซีสตินซีถูกต้องแล้ว แล้วเมื่ออินทรีย์เหล่านี้แข็งแรงและได้ก็ปัจจัยเขาเกิดทีนี้พอมาพิจารณาดูว่าก็เริ่มเห็นด้วยความเป็นนามธรรมที่กําลังโลดแล่นไปกับคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นนามธรรมที่กําลังโลดแล่นไปกับคุณของพระพุทธเจ้าอินนามธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่บนรูปธรรมเห็นไหมความเห็นด้วยความเป็นขันเห็นด้วยความเป็นอายตนะได้ไม่ได้ หมากุศลจิตแปดวงก็คือมนอายะตนะเจตสิกที่ประกอบเป็นธรรมมหายตนะตั้งอยู่ในกลุ่มของรูปใช่ไหมโรูประธรรมที่กลุ่มของพวกรูปายะตนะทั้งหลายเป็นต้นเลยพวกในด้านของหัตถยาวตถุทั้งหลายมันก็เริ่มเห็นความเป็นขันมองในด้านของอายตนะก็เห็นในความเป็นอายตนะว่าการสืบต่อกันที่คําว่าอายตนะคือการสืบต่อแท้ที่จริงไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นผู้สืบต่อ แท้ที่จริงก็คือกลุ่มของเวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสืบต่อหรือกลุ่มของอาญตนาสืบต่อมันก็เข้าไปวิจัยและเข้าไปเห็นได้ด้วยความเป็นยถาภูเดยา น, นัทสนะคือปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นอุบัญญัติเป็นอย่างนี้ปรามาตัตดสภาวะปรามาตัตดเป็นอย่างนี้ความไม่ลุ่มหลงในบัญญตัติความไม่ร่มหลงในปรามาตัตดก็เริ่มเกิดขึ้นซึ่งมันติดแน่นมาอย่างยาวนานแล้ว ความล่มหลงในปรมัสตร์และบัญญัติในสังขารในสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏพอไปมองในกลุ่มด้วยความเป็นธาตุมหากุศลจิต8เป็นมโนยานธาตุเจตสิกที่ประกอบ38ก็เป็นธรรมธาตุก็เห็นด้วยความเป็นธาตุเป็นสภาวะที่ทรงไว้ในฐานะของตนของตนอย่างไรก็เข้าเข้าใจอีกไง โอ้โอสภาพของขันอายตนาธาตุที่กำลังดำเนินไปอยู่ไม่ขาดสายนี้เองพระบรมศ า, ศาสดาเรียกว่าสังสาระสังสาระได้เกิดขึ้นและได้ทาได้ประทับในความเข้าใจของเราท่านทั้งหลายอย่างนี้ท่านทั้งหลายลงไปคข่ควรบ่อยๆตามพระธรรมคสอนี่ไม่มีใครไม่เห็นถ้าไปคข้ควรไม่มีใครไม่รู้ถ้ามีข้อมูลเข้าใจและชัด แต่ที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายขาดการไข่คนจริงๆเห็นไหมว่านี้ผ่านพุทธคุณใช่ไหมนี้ผ่านพุทธคุณผ่านคุณของพระเจ้าเมื่อผ่านพุทธคุณน้อมถึงคุณของพระบรมศ า, ศาสดาที่สั่งสมบารมีมา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับจะมองในมุมไหนของคุณของพระบรมศาสดากุศลก็เกิดเป็นศรัทธาเกิดวิริยะศรัทธาเกิดเจตนาเกิดแล้วก็ปัญญาก็เกิด ยิ่งเห็นคุณของพระบรมศา ส, สดามากความแนบแน่นในสัตทินทรีย์ก็ตั้งมัน่นแล้วก็ทําให้เดินอินทรีย์ได้คล่องขึ้นสภาพของกิเลสทั้งหลายก็เริ่มหดตัวลงเนาะเริ่มหดตัวลงเพราะจิตของคนเราเนี่ยที่มันหนักที่มันอึดอาดที่มันไม่สามารถจะรูดเล่นไปในพระธรรมคําสอนของพระพูมีพระเจ้าได้เพราะจิตเราท่านทั้งหลายนั้นมีอกุศลธรรมยืนหาแ น, เน่เพราะอากุศลเนี่ย มันพอกครอบงำในกระแสจิตของท่านบุไดมากใจของท่านผู้นั้นก็คิดบุญได้น้อยมากจะชนานาญในเรื่องบาปคล่องแคล่วในเรื่องบาปแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งท่านทั้งหลายสาสางจิตที่เป็นบาปออกได้จิตในการคิดถึงบุญจะคล่องแคล่วมาฉะนั้นเวลาการขัดเกาในด้านของทานบรารมีศีลบรารมีเดชขัมมาปัญญาเป็นต้น วุเรยาขันติสัจจะเป็นต้นเหล่านี้จึงเป็นตัวขัดเกลาอัธยาศัยบ่มอัธยาศัยเพื่อจะเป็นที่รองรับบรมธรรมได้จริงๆที่อุกกรณีการอย่างอย่างพุทธคุณเห็นไหมในส่วนจริงก็อย่างสุขันธาตอุอเยตนะทีนี้ถ้าหากเป็นใจพิจารณางดูอินสียถามบอกว่าถ้าในขณะที่พิจารณาอยู่ถ้าจิตเป็นสมนัตเราก็ไม่ใช่เราเป็นผู้สมนัตแต่เวทนาเป็นผู้สมนัติ ตามพระธรรมที่พระบรมศาสด า, า, า, าตรัสไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสมานสินสีเห็นไหมในขณะที่คิดเจรณาเห็นคุณของพระทเจ้านั่นแหละแต่จิตเกิดความผ่องใสจริงแต่เป็นไปด้วยความสงบด้วยการวางเป็นไปในรักษณะเฉยอันนั้นพระบรมศาสด า, า, าเรียกว่าอุเปกินสีเห็นไหแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เราวางเฉยไม่ใช่เราดีใจแท้ที่จริงเวทนาเป็นผู้วางเฉยแล้วเวทนาเป็นผู้ ดีใจจึงเรียกว่าโสมนัสสินสีหรืออุเปกขินรีย์เป็นต้นตอนนั้นชีวิตตินทรีเจสิกก็ทํากิจในการรักษารูปเวทนาสัญญาหรือรักษาเวทนาทั้งหลายเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันรักษาศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาให้ได้สืบต่อเท่ากับอายุไขัยของตัวเองเป็นต้นแล้วเนะี่ยตรงนั้นชีวิตตินรียเจสิกก็เป็นชีวิตตินทรีย์ มหากุศลจิตก็เรียกว่ามนินรีสัทธาที่ไปทํากิจนั้นไม่ใช่เราเป็นผู้ศรัทธาแท้ที่จริงก็คือสัตทินรียกําลังทํากิจในการที่ไปใคร่ครวญแล้ววิริยะเจตสิกที่เกิดร่วมก็เป็นวิริยินรี์สติเจตสิกเป็นสตินรีเอขคตาเจตสิกเป็นสมาทินีปัญญาเจตสิกเป็นปัญญินทรีท่านหลายว่าประชมสัตทินรีวิรยิยนทรียสตินรีปัญญินรีสมาทินรียเปต้นเห็นหี้ม แท้ที่จริงเป็นกลุ่มอินทรีย์เท่านั้นที่กําลังเดินเป็นไปกับกระแสของคุณของพระบรมศาสดาสัตว์บุคคลไม่มีความรุ่มหลงในสัตว์บุคคลก็ถูกถ่ายถอนโดยแต่ทางคปาพสารความลุ่มหลงโดยปรมาจารย์ก็ถูกถ่ายถอนโดยต่ทางคปาพสารอย่างนี้เขาเรียกว่ายถาภูตยานทัศนนาเบื้องต้นเห็นไหมว่าพุทธคุณเนี่ยที่เราทําไมต้องศึกษาเพราะเป็นช่องทางเห่งการบรรลุ เขาบรรลุพุทธคุณเนี่ยนับไม่ได้เขาเจริญพุทธคุณแล้วเขาบรรลุเนี่ยนับไม่ได้แปลว่าไม่สามารถคำนวณได้ว่ากี่โกดเขาบรรลุกันหมดแล้วเรายังกำลังฝึกเดินกันอยู่เนี่ยนะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้ามันจะเริ่มมาฝึกเดินก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมยชะแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วตายไปก็เสียเสียหายเลย เห็นไหมว่าท ja, ีนี้ถ้ามาพิจารณาถึงคุณของพระบรมศาสดาที่พระบรมศาสดาเนี่ยทรงมีพระกรุณาที่คุณว่าให้เห็นว่าทูทั้งหลายจะมองโดยความเป็นขันโดยความเป็นอาญาธนาโดยความเป็นท่าโด้วยความเป็นอินทรีย์หรือจะมองโดยความเป็นปฏิจจะหรือมองด้วยความเป็นอริยสัจล่ะจะมองยังไงใช่ไหมท่านสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างลงอริยสัจยังไงอย่างลงปฏิจจะยังไง ถ้าในมหากุลเนีัยญาณสัมบยุท์หรือญาณวิปยุท์ทั้งหลายเหล่านี้ยเจตนาเจตสิกที่ในมหากุศลจิตตัวบาต ท, ทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นใช่สังขารไหมใช่ปุญญาพิสังขารไหมก็คือเจตนาที่เป็นบุญนั่นเองที่ปาลบคุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นหรือกุศลของท่านทั้งหลายที่กําลังเป็นไปถามว่าสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชชาเป็นปัจจัยเห็นไหม เพราะสังขารเราท่านทั้งหลายที่เรากําลังได้มาเนี่ยมันมีผลิตผลมาจากอวิชชาในสังสารวัฏอวิชชาบวกกับกรรมอวิชชาบวกกับตัณหาในอดีตนั่นแหละที่เป็นปัจจัยให้กับมหากุศลนิโดบาทที่มีเจตนางเราที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้เราอย่าไปปฏิเสธว่านั่นแหละคือเจตนาเจตนาก็ดีเจตนาในอดีตเนี่ยนะเจตนาในก็ดีก็ดีอวิชชาในอดีตก็ดีเนี่ยหรือตัณหาในอดีตว่าไม่มีอิทธิพลอิทธิพลมากมาก และอิทธิพลถึงขนาดว่าวิบาสของเจตนาเหล่านั้นมากที่บวกกับตันหาท่านถึงบอกว่าตันหานี่เป็นโรงงานผลิตตันหานี่เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนมหือมาเพราะมันเป็นตันหาที่บวกกับ ก, บกรรมในสังสารวัตท่านทั้งหลายต้องการตาอะไรที่ไม่เคยทำไม่มีเลยในโลกิยะภูมิเนี่ย ในโลกียพเนี่ยในกามมาพบรูปประพบอรูปปพบทั้งหลายอะในรูปปพบอรูปประพบกรรมเหล่านั้นเป็นโหสิกรรมไปว่าไปแต่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ท่านอยู่นะท่านยังมีความต้องการอยู่ที่ต้องการอยากจะไปอยู่ในภพเหล่านั้นยังมีอยู่นะแต่กรรมที่เป็นไปในกามมาภูมิเป็นไปในรูปในในในในใบยภูมิและในเทวภูมิทั้งหลายเนี่ย กรรมเหล่านี้ที่ฉาผลิตวิบากนั้นมีอย่างมโหฬารวิบากที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ผลิตวิบากถามว่าท่านทั้งหลายที่เอาในปัจจุบันพบมีขนาดไหนบ้างที่ท่านไม่ทำกรรมเว้นท่านหลับสนิทเท่านั้นแหละแม้ฝันท่านยังทำกรรมเลยแต่กรรมเหล่านั้นถึงแม้ไม่ส่งผลในปฏิสนธิการแต่ในประวัติการเข้มก็ไม่เว้นท่านเรย ้ท่านจะไปตรงไหนท่านจะหนีผลของกรรมได้หนีไม่พ้นน่ตาของอเวจี w G, สัตว์ในเวจี w G, ท่านก็นทำไว้แล้วตาของสัตว์เดรัจฉานท่านก็นทาไว้ทุกชนิดแทบ ท, บทุกชนิดตาของเปรตตาของอสุรกายตาของมนุษย์พิกลพิการบ้าใบาบอนวลถามว่าเวลาพระเนี่ย ท่านเห็นถ้าท่านเห็นคนบ้าเดินกลางถนนที่เราเรียกว่าท่านเหล่านั้นบ้าถามว่าพระท่านคิดยังไงพระท่านจะคิดว่าสิ่งนี้เราเคยเป็นและสิ่งนี้เราจะต้องไปเป็นถ้าเรายังละราคาโทสะมามาัวไปเไปเห็นสุ น, นัขสักตัวหนึ่ง ท่านก็จะคิดว่าสิ่งนี้เราเคยเป็นและสิ่งนี้เราจะต้องไปเป็นแน่ๆถ้าเรายังละขันละทิ้งขันไม่ได้ยังท้าบวท่านคิดอย่างนี้ท่านถึงสะดุ้งสะเทือนในภพเพราะมันน่ากลัวเข็นนอนทักตัวนท่านคิดว่าสิ่งนี้ท่านเคยเป็นและสิ่งนี้ท่านจะต้องไปเป็นนะถ้าท่านคิดอย่างนี้นะท่านถึงกลัวว่าตะท่านถึงออกบวชกัน พบอกว่าแล้วท่านหินโทษของตันหาใช่ไหมทารถปาล่ะเนี่ยโลกนี้ไม่รู้จักอิ่มเป็นทาตของตันหาถมไปแล้วไม่เต็มหรอกพ่องอยู่เป็นนิดจะถมยังไงถามว่าเราจะเป็นทาตของตันหาหรือจะเป็นทาตของศรัทธา ใช่ไหมและศรัทธานั้นเราต้องไปตั้งกับใครต้องไปตั้งไว้ที่พระเจ้าเราจึางจะเป็นทาสของพระเจ้าตั้งอยู่ที่พระธรรมเราถึงจะเป็นทาสของพระธรรมตั้งอยู่ที่พระสงฆ์เราจึางจะเป็นทาสของพระสงฆ์ใช่ไหมแล้วก็ว่าข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์แต่เราก็ไปพฤติกรรมก็ไปเป็นทาสของตัณหาอยู่เลยแล้วอะไรนี <l ots> <l ots> ่ยมบวัตว่าไง มองหน้าพระองค์แล้วคิดยังไงแล้วกล้าดูไหมอย่างเงี้ยเทนี้แล้วก็าต้องต้องตึกใหม่ใช่ไหมต้องตึกใหม่แต่ก่อนมันพลาดไปแล้วคิดใหม่ก็แสดงให้เห็นใจว่าถ้าเราต้องการเป็นทาาของพระเจ้าแปลว่าเราต้องมีศรัทธาในพระองค์จริงจริต้องการเป็นทาาของพระธรรมก็ต้องเป็นเป็นมีศรัทธาในพระธรรมในพระสงค์เป็นต้นจริงจริแล้วเราถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นทาาของตัณหาถ้าเป็นท่าของตัณหาก็อย่างเนี้ย เราก็จะต้องไปเนี่ยไปแบกหูตาตาหูยมูกเล่นกายใจก็ไปแบกอยู่อย่างเงี้ยหลายคนนะอานามาเขาบอกเด็กๆเนี่ ย, ม า, ยมานอนนอนที่ลอมฟางทุ่งนามองดูดาวดูเดือนเนี่ยนะ ด, ดวงจันทร์ดวงเดงือนบนท้องฟ้าอันามาก็มองนี่เรามาไงเนี่ยแล้วแล้วเราจะไปยังไง แล้วเราจะไปยังไงมันมันทําไมมันว้าเหว่เอนชีวิตเนี่ยเหมือนที่อาตมาเคยเล่าแต่ก่อนอามาก็ว่าคนมีฐานะเนี่ยเขาเขาาสบายอาตมาก็เป็นเด็กเดกเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเจอคนที่เขามีฐานะเขาไปซื้อของเขามีรถมีอะไรเยอะแยะเขาไปรับซื้อของ อันมาก็ขออนุญาต